ของจิตที่บริสุทธิ์ก็ขอ้พระคุณเจ้ารวมทั้งลูกเนนแม่ชีอุบาสกบาติกาจงตั้งจิตให้เป็นกุศลให้เกิดขึ้นกับตัวเราเอง จิตนี้นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งจิตก็เรียกว่าจิตวิญญาณเราได้ทำวัดทุกเช้าเลยว่าเวทนาสัญญาจิตของเรานั้นอยู่ในความเวทนาทุกข์ ทุ ก, ก็คือภาระภาระก็คือต้องใช้ภาระกำลังกำลังของจิตที่จุติก็คือการเกิดเกิดนี่มีหลายระดับก็เรียกว่าเกิดบุญนำคาแต่ง ก็เกิดจากบุญนำคาแต่งบุญก็คือความว่างเปล่าคือสภาวะจิตที่ไม่ว่าบุ่นแล้วก็เกิดมาก็ไม่วุ่นวายใจแต่อีกสภาวะหนึ่งจิตที่เกิดมากรรมป่งแต่ง สภาพของกรรมไม่ใช่บุญนำเขาเรียกว่ากรรมมันนำกรรมก็คือความกากรร ก, ากรรมกากกรรมเนี่มีหลายสภาวะหลายระดับเช่นเดียวกันบางคนกากกรรมทางกายก็คือลาบากยากเข็นถึงไม่เป็นโครคภัยไข้เจ็บแต่ต้องลาบาก โดยการหาทรัพย์ก็คือหาเช้าก็หมดเช้าหาบ่ายก็หมดบ่ายหากินไม่พอปากพอท้องบ้านเรือนก็ไม่มีอยู่ที่อยู่อาศัยก็ไม่มีแผ่นดินจะซุกหัวนอนเนี่ย เท่าก็จะไม่มีเกิดมามีพี่มีน้องก็สัตว์เท่าว่าเกิดเหมือนสัตว์มันเกิดเกิดในระยะที่อยู่ร่วมกันก็คือตอนเล็กๆเกมื่อโตแล้วก็มีพี่ก็เหมือนกับไม่มีพี่มีพ่อแม่ก็ไม่เหมือนกับไม่มีพ่อแม่ถูกทอดทิ้ง ไม่ได้รับความอบอุ่นไม่ได้รับการเมตตาอรุโขดุดดังพ่อแม่ของคนอื่นเรียกว่าเกิดจากกรรมที่ปุ่งแตกเพราะ K. ฉะนั้นกรรมนี่ก็คือการกระทำขอให้ภพพิสุ์ทั้งหลายจะให้เกิดบุญหรือจะให้เกิดกรรมในขณะนี้ ในขนาดนี้เราได้มีบุญกุศลเกิดมาให้เขากราบไหว้เกิดมาไม่ได้มานั่งร้องไห้หาทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองเกิดมาเราก็มีบุญบุญก็คือความว่างเปล่าสแสวงบุญก็คือพยายามระตัดสภาวะความวุ่นวาย ความมัวหมองในใจเรียกว่าสติสติคือความรู้ตัวในขณะนี้พระกุณเจ้าได้สติบําเพ็ญเพียรหายใจเข้าพุทธพุทธแปลว่าผู้รู้ในขณะหายใจเข้าเราก็รู้ตัวอยู่เสมอ หายใจออกโทรแปลว่าผู้ตื่นผู้เบิกบานคนที่หายใจเข้าใจออกมีสติรู้ตัวอยู่เสมอย่อมมีความเบิกบานใจสบายใจเพราะว่ารู้ว่าบุญก็คือความว่างเปล่าขนาดนี้เราทําใจห้องเราให้ว่างเปล่าเรียกว่าจิตจิตก็คือจิตวิญ ญ, ญาณ จิตเราสแสวงไม่ให้สแสวงหาความโรคความโกรธความหลงเพราะบุพกรรมที่เราได้เกิดมาตามสัญญาแห่งความเป็นจริงก็คือปัจจุบันปัจจุบันเราได้มีบุญกุศลอย่างมากที่มนุษย์เกิดมาให้เขากราบเขาไหว้เราก็ต้องอาศัย บุญบา ร, รมีขั้งในอดีตเขาเรียกว่าอดีตตการกับปัจจุบันการหรืออนาคตตการอดีตเราได้เคยเป็นสาวกขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้เคยประพฤติดีปฏิบัติชอบในสายสัญญาแห่งพระธรรมคำสั่งสอน เกิดในวัตถภูมิเป็นภูมิขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธภูมิคือภูมิของสมณโคดมเมื่อเราเกิดในบรารวพุทธศาสนาของสมณโคดมโดยอำนาจและบุญกุศลที่เราได้บำเพ็ญเพียรมาหลายภพหลายชาติ จึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มนุษย์จึงเป็นสัตว์ประเสริฐสัตว์ประเสริฐนี้ก็คือรู้จักระงับความชั่วมาประกอบกรรมดีรู้จักระวางในสิ่งที่มันเป็นมัวหมองทำให้เกิดมัวหมองทางใจ ปกติเราต้องไปสู่สภาวะกรรมจะต้องกากกรรมเพราะเกิดมาจากการมตัญหาเราจะต้องแสวงหารูปแสวงหาเมียแสวงหารถหาบ้านแก้วแหวนเงินทองตามที่เพศคารวาดเด็กเขายินดีพอใจกันแต่ท่านทั้งหลาย แตกต่างโดยสิ้นเชิงข้าวปลาอาหารน้ำที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งหม่มท่านอุดมสมบูรณ์กว่าคนอื่นๆใดๆทั้งสิ้นโดยที่ไม่ต้องสแสวงหา โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งจะมายึดบ้านยึดรถยึดลูกยึดเมียมีแก้วแหวนเงินทองก็ไม่ใช่ร้วนแต่ตัดภาละสิ่งที่เกิดขึ้นของกิเลส ท, ที่ทำให้จิตใจมัวหมอง น้อยกว่าเพศของคาลวาดอย่างมากนับว่าเป็นบุคคลที่รักไกลจากความมุ่นวายก็คือกิเลสที่ทำให้เรานั้นมีชีวิตที่ตกต่ำและมัวหมองแต่ถ้าเกิดพระพิสุสง์สมเนร แม่ชีอุบาสกอุบาสิกาที่ไม่ฝักใฝ่ทำไม่ตั้งใจรักษาหน้าที่ไม่ละความชั่วมาประกอบกรรมดีจิตใจของท่านนั้นสภาวะของกรรมที่มันทำให้เราเกิดกรรมที่คือการกระทาที่มันชั่วหยาบ ก็คือทำให้มัวหมองทั้งศาสนาทั้งตัวเราเองสภาพกรรมก็จะเกิดขึ้นจากการนึกคิดปรุงแต่งก็คือการฟุ้งซ่านนั่นเองการที่ตัวเองไม่เคยระงับแล้วก็ไม่ข่มใจแล้วก็ตัดใจได้ ยังประพฤติตัวประพฤติตนไปตามอารมณ์เช่นไปตามทางหูทางตาทางจมูกริ้นกายใจเรียกว่านิวรณ์ทั้งห้าพิสุกก็ดีรูปเนรก็ดีแม่ชีก็ดีที่ยังบำลงบำเลอทวารทั้งแปด คำว่าทวารก็คือทางตาตาก็มีขี้ตาอะไรที่มันเป็นขี้เนี่ยเรียกว่าทวารหูก็มีขี้หูก็เรียกว่าทวารหูทวารหูทวารตานี่ก็สี่โลและทวารจมูกอีกจมูกก็มีอีกสองโลสี่ละห้าหกละรวมเป็น6กโลหทวาร สวรร์ปากเรียกว่าเจ็ดโลและเฉพาะหน้าเราเนี่ยเรียกว่ากะโหลกเนี่ยก็คือหัวเนี่ยหัวนี่มีทั้งเจ็ดโลคาว่าเจ็ดโลนี่มันขี้ทุกทีแสดงว่ามันกินมันเกินแล้วก็ถ่ายหรือไม่ถ่ายก็ไม่หรอก บางคนก็ต้องแคะหูบางคนต้องล้างหน้าเอาขี้ตาออกบางคนก็ขากเสเลจน้ำลายบางคนก็เต่าน้ำมูกออกมาไอตาวานทั้งแปดเนี่ยทั้งเจ็ดเนี่ยมันทำงานอย่างหามลุ่งหามคำ่ำ มันน่าเหนื่อยเหนื่อยห น, น่นายแหนงหน่ายเมื่อเหนื่อยห น, น่นายแหนงหน่ายก็เกิดไม่สบายใจเห็นไหมไอ้หัวใจเนี่ยมันไม่มีลูเลยมันรับอย่างเดียวเมื่อใจเรารับสภาพจากอารมณ์ที่มันปรุงแต่งจากรูกขีทั้งหลายเนี่ย ไอ้หัวใจมันไม่มีรูออกมันล้างไม่ได้เขาเรียกว่าล้างใจมีแต่เพลงเท่านั้นหันล้างใจล้างบางกันไปเลยความรักความชั่วตัดใจล้างใจต่กิเลตทั้งหลายที่มันมีแต่พอกพูนอยู่ตลอดเวลากรรมเป็นเครื่องชักจูง กรรมเป็นเครื่องปรุงแต่งกรรมเป็นเครื่องพันธนาการพันธนาการหมายถึงว่าจะต้องส่งเสียไปผูกพันกับทรัพย์แก้วแหวนเงินทองจะต้องผูกพันสัญญาแห่งความเป็นผัวเมียเป็นพ่อแม่ลูกเรียกว่าทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายนอก ก็คือแก้วแหวนเงินทองที่เราแสวงหามันไม่ใช่ของจริงมันเป็นเครื่องสมมุติที่องค์สมมาสมุตติเจา้าท่านบอกว่าทรัพย์ภายนอกก็คือกิเลสก็คือรถคือบ้านคือรูปเมียแก้วแหวนเงินทองเรียกว่าทรัพย์ภายนอกที่เป็นทรัพย์ที่สมมุติทำให้เราเนี่ย ยึดมั่นถือมัน่นแต่องค์สมมาสัมพุทธเจ้าเราบอกว่ายึดไม่ได้ถือไม่ได้มั่นไม่ได้มั่นลูกมั่นเมียเสียงเงินเสียทองแก้วแหวนเงินทองท้ายสุดก็ตายจากกันเห็นไหมยึดได้ไหมบ้านที่เราเคยอยู่คิดว่าเป็นบ้านเราเมื่อเก่าแล้วเราตายแล้ว ไม่สามารถที่จะเอาบ้านไปได้เห็นไหมยึดได้ไหมรถรารูปเมียแก้วแหวนเงินทองเราก็ยึดไม่ได้มันเป็นเพียงแค่ความสมมติว่าอันนี้ชื่อบ้านอันนี้ลูกอันนี้เมียอ น, นี้แก้วอันนี้แหวนอันนี้เงินอันนี้ทอง มันเป็นความสมมุติเพียงชื่อเท่านั้นที่เรามาอุ ป, ปมาอุปไม่ว่ามีของว่าเป็นของมีค่าเป็นของมีความจาเป็นอย่างยิ่งด้านจิตใจแล้วก็ตัวเราแต่มันไม่ใช่มันเป็นทรัพย์ที่ทำให้เราเนี่ยเกิดความหมัวหมองใจ แต่ในขณะนี้เนี่ยพระคุณเจ้ารวมทั้งรูปเนรแม่ชีกับอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายมีทุกอย่างแก้วแหวนเงินทองมีรถมีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่เต็มวัดเลยมีสิงสาราสัตว์ เต็มไปหมดเลยหน้าอบอุน่นร้วนแต่มีความพัดพรากจากกันอยู่ทุกวี่ทุกวันยึดไม่ได้ถือไม่ได้เลยคุณโยมมาเดี๋ยวคุณโยมก็กลับบ้านไปสิงสาราสัตว์ก็ตายทุกวันให้เห็นนกหนูกาไกา่กุ้งหอยปูปลาช้างมาวัวควายก็ตายจากกับพวกเราไป เราก็มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับสัตว์เหล่านี้มแมลงเหล่านี้และบุคคลเหล่านี้เมื่อมาแล้วก็ไปล้วนแต่ว่าเป็นคําว่าเป็นอันนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเมื่อใจเราเนี่ยไม่มีสติสติคือความรู้ตัว เราไม่ฝึกสติของเรานี้ให้รู้ตัวอยู่เสมอว่าโอ้เนาะทรัพภายนอกนี่มันยึดไม่ได้มันเป็นความสมมุติที่ทำให้เราเนี่ยมุดหมกมุ่นอยู่ตามสภาวะที่ยินดีปีดาที่เขานึกว่าอันนี้ตัวกูของกูนั่นเอง แต่สภาวะของซับอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าซับภายในซับภายในก็คือตัวปัญญาปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขารเมื่อเรามีสติสติมีความรู้ตัวรู้เหตุรู้ปัจจัยว่าโอโน๋นาสิ่งเราที่เราเกิดขึ้นตั้งอยู่ชีวิตเราเกิดมาแต่กรรมเหรอเนี่ย กรรมจะนำเราหรือว่าบุญจะนำเรียกว่าบุญนำกรรมแต่งเมื่อเรามีสตินำซะและมีปัญญารู้เท่าทันกีเดตบุญนำกรรมมันจะตกแต่งแต่งตัวยังไงเราก็อุเบกขาวางเฉยไม่ว่าผู้หญิงจะแต่งตัวสวยงดงามมาแค่ไหนรถหรูบ้านช่อง แกวแหวนเงินทองมามากมายอุเบขาวางเฉยเราก็เฉยว่าโอ้นอะล่วนแต่เป็นสิ่งสมมุติอุตุชนคนปกติเขายินดีรักให้ยินดีปรารถนาทรับภายนอกแต่ก็ขาดทรัพย์ภายในเมื่อเรามีทรัพภายในในขณะนี้ ก็คือองค์ภาวนาภาวนาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทแปลว่าผู้รู้ตัวก็คือตัวปัญญาเมื่อเราหายใจจนชินเนี่ยหายใจเข้าเราก็รู้ว่าเราจะต้องสูตรปัญญาเข้าไปก็คือความคิด เมื่อเรามีความคิดรู้เท่าทันของกิเลสคือความโลภเราก็ตัดความโลภคือไม่อยากได้คำว่าไม่อยากได้คือเราก็ไม่สะสมเมื่อเราตามมองเห็นหูได้ยินตามมองเห็นแก้วแหวนเงินทองหูที่ได้ยินที่เขาพูดกันว่ารวยร้อยล้านพันล้านไปทำให้นั่นจะได้อย่างนี้ ไปขุดดินเจาะเจาะดินระเบิดภูเขาก็จะได้เงินได้แก้วได้แหวนแหวนเงินทองแต่เราไม่สนใจใส่ใจรู้แล้วว่ามันเป็นกิเลสทำให้เราหมหมองตกต่ำมันมีแต่การแย่งชิงชิงดีชิงเด่นสแสวงหาก็ร้วนแต่เอาไปไม่ได้ ล้วนแต่เป็นของอันนิจจงเป็นของไม่เที่ยงแม้จะมาครอบครองไว้พ่อแม่ก็ครอบครองกักตุนไว้ให้ลูกลูกก็กักตุนเอามาเป็นของตัวเองก็ไปแต่งงานเป็นพ่อแม่แล้วก็ให้ลูกเขาเรียกว่ามรดกตกทอดอาหารที่ถูกทอดหลายๆครั้ง น้ำมันก็ร้อนเข้มข้นกับไปไบก็หมลุกเข้าไปลนน้ำมันเนี่ยมันให้ร้อนภาชนะน ก, ก็จะละลายร้อนขึ้นร้อนขึ้นสิ่งของที่ทอดทอดไปทอดมาทอดซ้ำทอดซากก็จะดำไหมเกียมเราก็จะต้องกรอบแล้วก็ผุ ใช้ก็ใช้ไม่ได้กิน ก, ก็กินไม่ได้เก็บก็เก็บเอาไว้ไม่ได้เขาเรียกว่าทอดไหมดำเป็นฐานเลยดำเป็นฐานเนี่ยฐานยังเอามาหุงต้มได้แต่ถ้าทอดดำเหมือนฐานเนี่ยมันเอามาใช้อะไรไม่ได้กินก็ไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้เก็บก็ไม่ได้จีรังน้ํามันก็จะแห้งลงไป ไฟก็จะไม่ลดลาไปก็จะมากขึ้นเพราะเรามีความต้องการมากขึ้นฝายชนะที่เป็นเหล็กเหล็กกล้าที่มีอดทนทนต่อความร้อนเหล็กก็คือกระดูกเรานี่เองกระดูกก็คือธาตุดินเนี่ยเราก็นึกถึงตัวเราว่าโอ้เนอใจของเราเนี่ยมันเป็นกะทะ ตากะระท้หูกระทะเดี๋ยวจะค่อยๆบอกไปสัญญาแห่งกรรมกรรมก็คือเป็นเครื่องชักจูงทางตาเมื่อตามองเห็นสติไม่มาปัญญาไม่เกิดสภาวะหูก็เกิดอีกได้ยินได้เห็นได้ได้ยินก็คือได้ยินเสียงก็คือคำพูดเหมือนลุงพ่อได้พูดอยู่ในขณะนี้ แต่การได้ยินได้ได้ฟังเนี่ยในขณะนี้เนี่ยหลวงพ่อกำลังพูดให้เราเนี่ยละเลิกความโรคความโกรธ ค, ความหลงระงับมันให้ตั้งสติมีความรู้ตัวเห็นชัดเห็นจริงเห็นเป็นภาพเลยว่าโอ้โนาะเรียกว่ารู้จริงเรียกว่าสัจสัจธรรมสัจจะก็คือความจริง เมื่อสัตว์มันไม่รู้ความจริงอย่างที่หลวงพ่อพูดเรื่องสัญญาแห่งความเป็นรูปนามรูปนามแห่งไรรูปนามแห่งกรรมกรรมก็คือเกิดมาตามสภาวะรูปนามแห่งกรรมไก่ก็มีสภาพที่เป็นแบบนี้เป็นรูปนามแล้วก็มีชื่อว่าไก่ไก่ก็มีลักษณะแบบนี้ช้างมาวกไกก็มีลักษณะกรรมที่ แตกต่างกันไปเขาเรียกว่าเปรตอสูรกายและสัตว์เดรัจฉานที่พูดไว้ที่ผ่านมาสภาวะกรรมเนี่ยมันก็ชักจูงสภาวะหูตาจมูกลิ้นกายใจเรียกว่า น, นิวรนนี่แหละมันวิงวอนอะไรายอาวอนในสิ่งที่ไม่ควรที่จะไปอะไรายอาวอมันเลย ก็คือความรักความยินดีเมื่อมีความรักมีความยินดีก็ย่อมมีความผูกพันเรียกว่าบุพกรรมบุพกรรมต้องเจ อ, เจอชายเจอหญิงหญิงเจอชายหูตาจมูกลิ้นกายใจนี่จะต้องเจอเจอรูปรสกลิ่นเสียงผลทัพทพะเมื่อสัมผัสถูกต้องแล้วเกิดความยินดีพอใจเรียกว่า สภาวะของกิเลสที่หลงหลงก็หมายถึงว่าพัดหลงเข้าไปในป่ากว่าจะออกมาจากป่าได้บางคนถึงกับอยู่ในป่าช้าเลยช้ามากจนตัวเองเนี่ยตายจนไม่รู้เลยว่าหูหนวกตาบอดอะไรคือหูหนวกก็หมายถึงว่า หลงหลงในเสียงลูกบอกรักพ่อแม่พ่อแม่บอกรักลูกผัวบอกรักเมียเมียบอกรักผัวเรียกว่าหลงตามมองเห็นว่านี่โอ๋น้อเป็นลูกเราผัวเราเมียเรายึดมัน่นถือมัน่นนี่คือหลานนี่คือแก้วแหวนเงินทองกอบโกยเอามา นี่เป็นตะกูลเรียกว่าตระนะตระตัวนี้ก็ก็ไม่ต่างกับตะก้าเอาตะก้าไปตักน้ํามันก็รั่วออกหมดก็เหมือนความคิดของเราเนี่ยคิดอยู่ทุกวันเนี่ยสติมันรั่วนะเมื่อสติเราในเหมือนตะก้าเนี่ยสติคือความรู้ตัวไม่รู้ตัวแล้ว ตะก้านีมีรูมากเหลือเกินขนาดมีขอบล่างขอบบนนมีหูหิ้วตะก้าเอาไว้หิ้วเอาไว้ใส่ทุกอย่างเลยตะก้าอย่างดีมันก็ใส่ของหยาบเหมือนเราจิตใจเราเนี้ยไม่เคยทำความสะอาดไม่เขาเรียกว่าไม่เคยชาระล้างไม่เคยตั้งสติ ไม่เคยที่มองเห็นใจตัวเองเตังสติคือความรู้ตัวมองใจตัวเองเนี่ยว่าโ อ, โอ๋เนอใจเราเนี่ยมันว้าวุ่นเพราะว่ามันเป็นเรื่องอะไรคนที่เขาว้าวุ่นกันเนี่ยมีเรื่องมีราวกันเนี่ยยังไปโรงพักคนป่วยคนไข้ก็ไปโรงพยาบาล เพื่อจะเยียวยารักษาชีวิตเข้าไว้ให้หายโรคหายภายัยหมอก็ช่วยเป็นบางโอกาสเป็นวาระโรงพักก็ห้ามปามระงับได้เป็นระยะแต่ความตายเนี่ยแม้กระทั่งหมอก็ต้องตายเช่นเดียวกันตำรวจที่ระงับเหตุระงับภัยทั้งหลาย ตำรวจก็เกิดเหตุเกิดภยัยตำรวจก็ฆ่าแกงกันก็มีตำรวจก็ไม่พ้นความตายเหมือนกันไม่พ้นเรื่องพ้นราวที่จะเกิดอย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ยคนที่จะห่างจากภาวะของกิเลสต่างๆความวุ่นวายได้ก็คือนักบวชนักปฏิบัติธรรมคือคนที่รู้เหตุรู้ปัจจัย ในการบวชของเราเนี่ยนับว่ามีค่าอันมหาศาลอย่างมากยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นอันดับแรกเรียกว่าสามะมคีธรรมเกิดขึ้นในหมู่คณะเรามีความสามะคีแม่ชีก็ไม่ใช่พี่น้องเราพระคุณเจ้าที่อยู่ร่วมกันเนี่ยก็ไม่ใช่พี่น้องคานตามกันมาทำไมเราอยู่ร่วมกันรักกัน แม่ชีทำไมหุงข้าวหุงปลาหาน้ำหาข้าวให้กับพระพิสุโดยไม่มีทุลจิตอิจฉ า, าิษยาพระก็ไม่อิจฉาิษยารุกเนรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาแต่ถ้าปาาใดเนี่ยเรามีกรรมที่นำสภาพของจิตที่ตกต่ำลง พระก็คิดไม่ดีกับแม่ชีแม่ชีก็คิดไม่ดีต่อพระพระก็เบียดเบียนเนนเนนก็เบียดเบียนพระพระก็เบียดเบียนโยมโยมก็คิดเบียดเบียนต่อพระต่อเจ้าเมื่อมนุษย์เบียดเบียนกันไปเบียดกันไปเบียดกันมาสีไปขัดมาถูไปถูมาก็เกิดแผลแผลก็เกิดความอักเสบไปหาหมอก็หาไม่ได้ โรงพยาบาลที่รักษาความความความอิจฉาหริสยาความทะเลาะเบาแว้งเนี่ยไม่มีโรงพยาบาลมีแต่วัดมีแต่พระธรรมคำสั่งสอนก็คือคำสั่งสอนขององค์สมมาสัมพุทธเจ้าเพราะนั้นในหมู่คณะของวัดเนี่ยจะมีความแตกเล่าแตกฉานเนี่ยน้อยกว่าความเป็นคารวะ ที่มีผัวเมียสองคนเท่านั้นยังทะเลาะกันบางคนถึงก็ฆ่าแกงกันอย่านับว่าเป็นประเทศเลยอย่านับว่าเป็นตำบลเป็นหมู่บ้านเป็นอำเภอจังหวัดในบ้านเราเนี่ยอยู่กันสองคนเนี่ยของเพศคารวะเนี่ยก็มีการเสพมีการกินมีการแสวงหาอิจฉานิสหยาญาติมืองญาติกู บานมึงกูก็จะยึดรถมึงกูก็จะยึดที่ไรทินาแก้วแหวนเงินทองยึดได้ยึดหมดหาได้ต้องเอาให้หมดซื้อแสวงหาเป็นคนที่โง่เขาเบาปัญญาไม่มีสติไม่มีพื้นฐานแหงความเป็นสัตว์จากคือความจริงรุ่มหลงมัวเมาหมกมุ่น จนตัวเองเนี่ยถึงป่าช้าก็คือตายนั่นเองไม่ได้พบกับความสุขอย่างที่เราบาเพ็ญเพียรในขณะนี้ไม่ได้มาทำวัดสวดมนต์ไม่ได้กล่าวคำสรรเสริญในองค์สมมาสมุติเจ้าที่ได้กล่าวบทสวดไม่ได้มานั่งตัดความเมื่อยตัดความเวทนาทุกตัดความที่มันเป็นความตนหนีที่เหนียว ตัดความโหดร้ายตัดความอยากได้ทำจิตใจให้หายมัวหมองเอาบุญนำเอาสติเอาปัญญาเนี่ยมาตัดละความความโง่เขลาเบาปัญญาก็จะได้เบาคิดลงไปเบาอกเบาใจเบาหูเบาตาไม่ต้องมีภาระไม่ต้องเป็นภาระก็คือต้องใช้ภาระกำลังไม่ต้องใช้กำลังกายมากมาย ต้องใช้กำลังใจแล้วกำลังสติสติคือความรู้ตัวเมื่อมีสติมีความรู้ตัวรู้เหตุรู้ผลก็เกิดปัญญาพระความโลภก็คือความอยากได้เมื่อพระไม่มีความอยากได้เห็นแล้วว่าโอ๋นอการคิดปรุงแต่งทำให้มัวหมองยมเห็นพระก็รู้สึกมีความเคารพศรัทธา พระเห็นโยมโยมต่างคนต่างมีความเคารพอยู่ในเหตุในผลในปัจจัยเมื่อโยมเห็นพระสร้างคุณงามความดีโยมก็เกิดความศรัทธาก็คือความเชื่อศรัทธาแปลว่าความเชื่อเมื่อมีความเชื่อในความดีก็ร่วมกันทำเรียกว่าสา ม, มาขีดธรรมเช่นการทำงานร่วมกันอยู่ร่วมกัน ธรรมก็คือธรรมะก็คือธรรมชาติที่เรามีเหตุมีปัจจัยก็เรียกว่าตัวปัญญาก็คือสติที่หลวงพ่อได้มาบรรยายทุกเช้าทุกค่ำทุกวันเนี่ยเพื่อให้เรารู้เหตุรู้ปัจจัยรู้เหตุแล้วก็ผลมันเป็นซับภายนอกที่ยึดมัน่นถือมั่นไม่ได้เรียกว่ากิเลสกิเลสมันก็เกิดทางหูทางตา ทางปากทางลิ้นทางกายทางใจก็คือรูปรสกลิ่นเสียงผลับพระก็คือสัมผัสถูกต้องแต่เมื่อสัมผัสถูกต้องเห็นแล้วตาเห็นหูได้ยินแล้วเกิดความยึดมั่นถือมัน่นติดอกติดใจก็เป็นสภาวะทุกข์เอามายึดมั่นถือมัน่นก็คือความอยากได้นั่นเองก็คือความโรค เมื่อไม่ได้แล้วขัดใจเคืองใจก็จะเกิดความโกรธความโรธ ค, ความโกรธโกรธที่ไม่ได้ดั่งใจรู้สึกเบื่อนหน่ายใจน่ายแนงใจอึดอัดใจฟุ้งซ่านในใจหน้าดำคำเคียดบางทีถึงก็ต้องไปฆ่ากันดึงกันแย่งกันถึงกับชกต่อยกันในหมู่คณะ ของคารวะ ก, ก็ดีโรงพยค ก, ก็ห้ามไม่ได้ไอ้กีเดตตัวนี้หมอก็ห้ามไม่ได้อยู่ร่วมกันไม่ได้ก็ต้องจากกันแตกแยกกันแตกหักกันธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยละเอียดอ่อนมากถ้าได้ศึกษาธรรมเอาระก็ต้องขออนุโมทนาในส่วนบนกุศล ของวันวันนี้ที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจบําเพ็ญเพียรบุญให้นํานําสภาวะกรรมให้เบาบางลงกรรมก็คือการกระทําของตัวท่านนั่นเองก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีการกระทําที่เป็นเป็นบุญกุศลต้องรักษาวินยัยเรียกว่าพระธรรมวินยัย พระทิศรักษาพระธรรมวินัยก็ ม, มีหิลิโอต ป, ปะมีความระอายและมีความเกรงกลัวต่อบาทกับสภาวะที่การกระทาที่เกิดขึ้นเมื่อเราหมั่นฝึกหมั่นปฏิบัติเราก็จะอยู่ในสภาวะที่สงบสบายแววตาก็ใส ใบหน้าก็ใส่พอมองไปแล้วเหมือนยิ้มเพราะว่าจิตมีเมตตามีความการุณาคือความสงสารแต่สัตว์กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมุติตาคือไม่อิจฉาหรือสยาในหมู่คณะในพี่ในน้องเมตตาการุณามุติตาอุเบกขาคือวางเฉย พรมิหารสีก็จะเกิดในจิตในสันดานของเราที่ถูกฝึกเมื่อฝึกจนชาญชาญแปลว่าชินตัวเมตตาก็จะเกิดขึ้นตัวกรุณาก็จะเกิดขึ้นตัวอุเบกขาตัวอมุติตาก็คือไม่อิจฉาก็จะวางเฉยจิตของท่านก็จะเป็นพรม พรนี่ก็หมายถึงว่าถ้าฝนฟ้ามันพรมเนี่ยมีความร่มเย็นชุ่มชื่นต้นไม้ก็จะรู้สึกว่ามันงอกงามสังเกตพระนที่ประพฤติดีปฏิ บ, ชชบัติชอบต้นไม้จะงอกงามพื้นที่จะชุ่มชื้นอยู่ตรงไหนก็งอกงามไปหมดถ้าเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอยู่ตรงไหนก็วุ่นวายไปหมดในศาลาเนี่ย มีพระมีพรมอยู่เ้าเรียกว่าพระพรมแล้วก็มาเป็นพระภูมิแล้วก็มาเจ้าที่ต่าลงไปเรื่อยๆ <c oughs> ถ้าเจ้าที่อยู่นี่ก็หวงที่หวงทางหวงวัดหวงว่าพระภูมิก็หมายถึงว่ามีภูมสติปัญญาไม่แตกต่างกับสัตว์ยึดมันถือมันว่าตัวกูของกูวัดกู พระพรมก็หมายถึงว่ามีสี่ใบหน้ามีสี่หน้าแล้วก็มีมือเนี่ยสี่มือมีเท้าสองเท้าคือหญิงกับชายเนี่ยอยู่ร่วมกันได้เพราะพผมมีสี่หน้าสี่มือเรียกว่าช่วยกันเราอยู่ด้วยกันในช่วยเหลือกันได้เรียกว่าพระพรมแล้วถ้าเป็นพระอริยสงฆ์ล่ะพระอริยเจ้าพระปัจเจละ่ะ จะบอกไปเรื่อยๆเชา้ชาๆอย่างนี้ก็ค่อยๆถอนสมาธิก็จะได้กรวดน้ำแล้วก็จะได้ไปโปรดสัตว์จิตของเรานั้นเป็นกุศลมากกว่าอกุศลก็ต้องขออนุมโมทนาในเชา้ชาๆ ว, วันนี้